มือยิงก้อนกรวดสอนใจบางเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้อาจไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีก่าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันเจริญรุ่งเรืองแห่งอาณาจากักรลาวดินแดนที่มีช้างนับล้านและมีเด็กผู้ชายที่ชื่อว่ามันเซเขาไม่มีพ่อแม่ขาของเขาข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ดีแต่มันเซก็มีความสุขดีซึ่งเขาได้รับการเลี้ยงดูจากคอในหมู่บ้าน ไงมันซฉันเอาผักสดจากสวนมาให้นะจ๊ะโอ้เลอาอืมผักเลอฉันเอาของที่เจ๋งกว่ามาให้อีกนะเนี่ยผาน้ำตาลหวานเหรอมันจะทำฟันก็ผุเอาได้นะ <laughs> เด็กๆในหมู่บ้านมาเล่นกับเขาแต่มีการละเล่นหนึ่งซึ่งเขาเจ๋งที่สุด ว้าวไหนยิงต้นไม้นั้นได้ยางไงกันนะนานละมันเซเขาจะยิงอะไรก็โดนทั้งนั้นไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนว่าไงความจริงก็คือมันเซใช้เวลามากมายไปกับการฝึกซ้อมด้วยการใช้ก้อนกรวดยิงไปที่วัตถุห่างไกลเขายิงใบไม้บนยอดสุดของต้นไม้ได้ทุกต้นวันหนึ่ง ในขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไทรเขาเริ่มที่จะยิงก้อนกลัวใส่ใบไม้โอ้ว้าวแสงอาทิตย์ส่องมายังใบไม้และสร้างภาพอยู่บนพื้นดินดูเหมือนเด็กเต้นอยู่เลยฮะฮ่ <c oughs> และมันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อใบไม้ไหวและแสงอาทิตย์ส่องลงมามันเกิดภาพบนพื้นดินที่เคลื่อนไหวอย่างงดงามเมื่อเพื่อนของเขามาหา ทุกคนก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เห็นเอวนี่มันอะไรกันนะ่าสวยจังเลยมาลองทำอย่างอื่นกันไหมล่ะฮะ่าอู้ไม่นานนะักเขาก็สร้างรูปช้างขึ้นมาบนใบไม้จากนั้นก็เป็นช้างตัวน้อยว้าว น, นเหมือนกับรูปช้างตามแม่ของมันไปเลยล่ะเด็กๆ ก, กำลังสนุกสนานกับโชว์ที่ได้เห็น และเด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่ทันเห็นว่าพระราชากับเหล่าทหารเสด็จมาอย่างเส้นทางนั้นแต่พวกเขาหันไปเมื่ได้ยินเสียงโอ้ไม่พระราชาแล้วเข้าซ่อนกันเร็วมาเร็วมันแซเ่เด็กๆซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้พระราชาและกองทัพของพระองค์ก็ทรงหยุดพักไม่นานนะักเมื่อลมพลิ้วไหวทำให้ใบไม้เคลื่อนไหวโครงช้างก็ได้ปรากฏอยู่ข้างพระราชาและทาให้พระองค์ประหลาดใจโอ้ oh. นี่อะไรกันเนี่ยมันดูเหมือนดังต้องมนสวยจังเลยนะทหารตามตัวคนที่สร้างงานศิลปินนี้มาสิอ๋ไม่นะพวกเขาจะมาจับพวกเราอะวิ่งเร็ววิ่งรอก่อนสิเอ่รอฉันด้วยสิแต่เด็กๆ ก, ก็วิ่งหนีไปและปล่อยให้มันเซยอยู่เบื้องหลัง แม้กระทั่งพระราชาที่เป็นคนดีแต่กับเด็กๆแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามขาเจอเด็กตรงนี้แล้วาเข้าไปหาพระราชาเร็วและแล้วมันเซผู้น่าสงสารและหวาดกลัวก็ถูกนําตัวมาหาพระราชาอย่างสั่นเทานี่เหรอคนที่สร้างภาพนั้นขึ้นมาเน่ยเขครับ อ, อัฟาบาทอืมพิสูจน์สิทําให้เราดูใหม่อีกครั้งสิ มันเซจึงหยิบก้อนกรวดขึ้นมาจากนั้นนกที่ส่งเสียงเจื้อแจ้วก็มาเกาะที่กิ่งไม้เมื่อเห็นมันมันเซจึงเกิดความคิดเขาหยิบก้อนกรวดขึ้นมาและเล็งไปที่ใบไม้แตกๆใบหนึ่งจากนั้นก็สร้างรูปร่างของนกขึ้นมาและใบไม้อีกใบก็เป็นรูปของนกและเมื่อใบไม้สัน่นทุกคนก็มองเห็นมันด้วยความประหลาดใจโอ้เยี่ยมไปเลยมันดูเหมือนนกร้องเพลงอยู่เลย พระราชาและทหารส่งยินดีและปรบมือไปพร้อมกับเพลงของนกจากแสงอาทิตย์ส่องเด็กน้อยเจ้ามีพรสวรรค์นหนักทึงขยากพาเจ้ากลับไปปราศาส์เจ้าจะช่วยอะไรข้าได้อย่างมากโขเลยทีเดียวมันเกถูกให้เข้าไปอยู่ในรถม้าของพระราชาและเดินทางไปจนถึงปราศาส์มันเซประทับใจมากที่ได้เข้าไปข้างในนั้น ทีนี้ก็ฟังให้ดีนะในสิ่งที่ข้าพูดข้าจะจัดประชุมกับรัฐมนตรีในไม่ช้าและมีอยู่นายหนึ่งเขาไม่ยอมหยุดพูดสะทีโอข้าหมายถึงนายคนนั้นทั้งเจราจาอยู่ได้ข้าน่ะอยากจะสอนให้เขารู้จักหัดฟังคนอื่นซะบ้างแล้วหม่มอมฉันจะช่วยได้อย่างไรเจ้าจะต้องซ่อนอยู่หลังม่านจากนั้น ก็ยิงเปลือกส้มขมขมใส่ปากของเขามันเซยสับสนแต่ก็ตกลงต่อแผนการของพระราชาเขานั่งอยู่หลังม่านตรงข้ามกับรัฐมนตรีไม่นานการประชุมก็เริ่มต้นขึ้นโอไม่ข้าไม่ได้ถามพระราชาว่ารัฐมนตรีคนไหนที่ข้าเรียกพวกท่านมาหาหรือกัน เรื่องขโมยในราชนาจักมีใครอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมคือคือคือหม่อมชันสงสัยว่าหม่อมชันคิดว่าพวกเราควรจะลองถามเหยืด่ดูพวกเขาบางรายอาจเคยเห็นผู้ร้ายที่ไหนสักแห่งนะ่าเยี่ยมเลยงั้นงั้นงัง้นเราแต่หม่อมชันก็รู้สึกว่ามันจะใช้เวลาสักหน่อย เพราะนี่เป็นอาณาจักรใหญ่เรามีผู้คนที่น่ารักมากมายเลยเอเอเอริกผมคิดว่าเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าเรามีทหารมากมายในอนณาจักรนะมันอาจไม่ใช้เวลาอย่างที่คาดก็เป็นไปไดออ้ใช่คนนั้นเองสินะถึงเวลาพักแล้วละในจอมพูดมาก <mister isation> เขายิงเปลือกซ wow ้อมตรงดิ Little ่งเข้าปากเอริกผู้ที่ยังมึนงงแต่ไม่นานก็ซีดเผือดเกิดอะไรขึ้นเอริกทุกอย่างโอเคไหมนี่อะไรเข้าปากฉันเนี่ยเอะไรกันอ่ะยุยุยเอริก นี่คุณอยู่หน้าพระพักตรพระราชานะ <c oughs> ไม่เป็นไรอยากจะพูดอะไรหรือเมื่อกี้นะ่ะฮะพูดมาซิเอ่ อ, อฟาบาดหม่อมชนบอกว่าผู้คนมันอาจมีโจรอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนของเรา <c oughs> เราจะวางใจเลยไม่ได้น้ําพะเยกขอะวิ <c oughs> โอ้ไม่นะข้าว่าเอริกดูพูดใหม่ออกแล้วคราวนี้ขอบคุณสวรรค์ฟอฟบอร์ดถ้าจะท่งฟังหมอมชันหมอมชันกราประธานภัยแต่หมอมชันแค่อยากจะทูลว่าดุ๊ ย, ย, ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยทุกครั้งที่หมอมชันอ้าปากจะมีของแย่ๆเข้ามาในปาก และครั้งนี้เขากลื่นเปลือกซ้มเข้าไปและตัดสินใจอยู่เงียบๆ เ, เพราะเกรงว่าจะมีอย่างอื่นยิงเข้ามาในปากของเขาอีกงั้นหม่อมฉันขอกราบทูลได้หรื อ, อยังพะยะค <c oughs> ่ะท้ายสุดแล้วฝาบาทสิ่งที่หม่อมฉันขอกราบทูลคือมันมีคาราวาลละคนสัตว์ในอาณาจักรของเราและทุกครั้งที่พวกเขาหยุดพักบ้านเดินใกล้ๆก็มักจะถูกปล้น โอ้น่าสนใจนะเจ้าอยากจะลองไปที่นั่นในครั้งหน้าไหมละ่ะเมื่อพวกเขาหยุดพักแน่นอนขอรับฟาบาทความคิดเยี่ยมไปเลยขอรับแล้วท่านคิดว้วยังไงเอริกเอริกก็น้อมรับในความคิดนั้นเช่นกันมบมมมม ม, มชดชดว่าไงว่ามาซ บ่บ่หม่อมฉันตกลงกับสิ่งที่พวกเขาพูดยอดไปเลยมันก็ดีนะที่เราได้ยินความเห็นที่แตกต่างกันบ้างใช่ไหมล่ะฮะโอ้อ้โอใช่ใ่พี่ยก่ะเมื่ออย่างไรก็ตามที่เอริกเริ่มเปิดปากพูดมันเซก็จะยิงเปลือกซ่อมเข้าปากของเขาเอริกจึงนั่งเงียบอยู่ตลอดเวลาและไม่มีทางเลือกใดนอกจากรับฟังผู้อื่นบ้างอืม ฉันไม่ยักนึกออกว่าเคยได้ยินความเห็นคนอื่นด้วยนี่ฉันพูดมากขนาดนั้นเลยเหรอนเนี่ยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นพระราชาเสด็จมหาเอริกไงเจ้าจตระหนักได้หรือยังถึงการให้โอกาสผู้อื่นได้พูดบ้างและการฟังความเห็นผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะพะยาคหม่อมฉันขอกราบรทรานอภัยในสิ่งที่เคยกระทาไปม่อมฉันจะพยายามเปลี่ยนแปลง พรกิจสำเร็จแล้วพระราชาส่งพึงพอใจในตัวมันเซมากและท่งอนุ ญ, ญาตให้เขาอาศัยอยู่ในวังได้เขาได้รับการดูแลและเลี้ยงดูจากนั้นก็มีชีวิตอย่างเป็นสุขเสมอมาโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีในพรสวรรค์ที่เขามีแล้วเอริกนะเหรอก็เขาก็รักษาคำพูดและพยายามอย่างหนักที่จะให้โอกาสผู้อื่นพูดบ้างแล้วนะ เพราะการฟังความเห็นของผู้อื่นคือสิ่งที่สำคัญเช่นกันพวกเราจะต้องใส่ใจและให้คุณค่าต่อความคิดของคนรอบข้างด้วยเหมือนกันยังไงล่ะ